มัตหนี้ทั้งทั้งหลายทั้งหญิงและชายได้เสียสละนักเวลาันมีค่ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นกิจส่วนตัวสําคัญทางพุทธศาสนาเรีว่าทางคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สัตว์โลกทั้งหมด ละชั่วได้กลายวาจาใจทำความดีได้กลายวาจาใจทำใจเห็นใสสามข้ อ, อนี้แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยืนยันเหมือนกันหมดเทษนั้นท่านทั้งหลาย เมื่อตั้งใจมั่นลงในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ก็เพื่อจะทำใจของตนให้ดีตามประสงค์ทางพมทธศาสนาการที่จะทำใจให้ดีนี้มีบาลีเป็นตำรับตำราว่าเทเวเมทขเววิชาพาคยาดูกรีิสุทั้งหลายวิ ช, ชามีสองอย่าง ภะตเมทเวสองอย่างอะไรบ้างสมาโธจะสมถธความสงบรับอย่างหนึ่งวิปัสนาจะวิปัสนาความเห็นแจ้งอย่างหนึ่งสมาโธพาวิตโตกิมัถมนุโพสิสมถธเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตตังพาวยติต้องการให้จิตเป็นขึ้น จิตตังภาวิตังกิมัฏฐะมโนโพติจิตเป็นกินแล้วต้องการอะไรโยราโคโสปิยาติความกำหนัดยินดีอันใดที่มีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีอันใดก็หมดไปด้วยสมถะความสงบอย่างนั้นวิปัตนาพาวิตากิมัฏฐะมโนโพติวิปัตนาเป็นกินแล้วต้องการอะไรปัญญาภาวยติต้องการทำปัญญาให้เป็นขึน้น ปัญญาพาวิตากิมัติมนุปสติปัญญาเป็นจินแลสต้องการอะไรยาวิชาสาปิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนั้นหมดไปด้วยความเห็นแจ้งคือวิปัสนาทางพุทธศาสนามีวิชาสองอย่างนี้แหละเป็นข้อสำคัญนักปณิธานทั้งหลายที่เสียสละเวลามาก็เพื่อมาเรียน สมถะวิปัสนาทั้งสองอย่างนี้สมถะเป็นวิชาเบื้องตน้นพุทธศาสนิกชนต้องเข้าใจใส่คือแปลความว่าสงบระลับใจเรียกว่าสมถะวิปัสนาเป็นขั้นสูงกว่าสมถะซึ่งแปลว่าเห็นแจ้งเป็นธรรมเบื้องสูงเรียกวิวปัสนา สมาธาวิปัสสนาสองอย่างนี้เป็นธรรมอันสุขมลุ่มในทางพระพุทธศาสนาผู้โปรดนี่ได้ศึกษามาตั้งแต่บวถ์พอโบสถออกจากโบสถแล้วในวันหนึ่งรุ่งขึ้นวันนก็เรียนทีเดียวเรียนสมถะ ท, ทีเดียวไม่ได้ยึดเลยจนกระทั่งถึงบัดนี้บัดนี้ทั้งเรียนด้วยทั้งสอนด้วยในฝ่ายสมถะวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้ สมถะมีภูมิแค่ไหนสมถะมีภูมิสี่สิิ์สิทสิอสุสิทิอนุสติสิทิอาหาเดไปจุฬาสัญญาธาตุวัฐานูประชาสีรูรปฌานสี่ทั้งสี่สินี้เป็นภูมิของสมถะมีปัจนามีภูมิหกขันห้าอายตนะสิบสองา18สิบแปดอินรียี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุ ป, ปา ธ, ธรรมปฏิจจสมุ ป, ปาท ธ, ธรมปปธธรม ทำอาศัยจนการละทันโอดขึ้นดับไปทอาทําอาศัยจนการละทันโอดขึ้นนี่เป็นภูมิของวิปัสสนาภูมิสมถะภูมิวิปัสสนาทั้งสองนี้เป็นตํำรับตำนาในทางพระพุทธศาสนาได้ใจกันตืบมาแต่ภูมิของสมถะที่เราจะึเรียนต่อไปเริ่มต้นต้องทาใจให้หยุด จึงจะเข้าโฟมของสมถะได้ถ้าทําใจหยุดไม่ได้เราเข้าโฟมสมถะไม่ได้สมถะก็แปลว่าสงบแปลว่าสงบรับแปลว่าหยุดแปลว่า น, นิ่งต้องทําใจให้หยุดใจของเราเนะี่ยอะไรที่เรียกว่าใจเห็นอย่างหนึ่งจําอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งสี่อย่างนี้รวมเข้าเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าใจอยู่ที่ไหน อยู่ในเบาะน้ำเรียงหัวใจคือความเห็นอยู่ที่ทํากลางกายความจำอยู่ทํากลางเนื้อหัวใจความคิดอยู่ทํากลางดวงจิตความรู้อยู่ทํากลางดวงวิญญาณเห็นจาคิดรู้สี่ประการนี้หมดทั้งร่างกายส่วนเห็นเป็นต้นของรู้ ส่วนจำเป็นต้นของเนื้อหัวใจส่วนคิดเป็นต้นของดวงจิตส่วนรู้เป็นต้นของดวงวิญญาณดวงวิญญาณเท่าดวงตาดำข้างในอยู่ในกลางดวงจิตดวงจิตเท่าดวงตาดำข้างนอกอยู่ในกลางเนื้อหัวใจดวงจำว่างออกไปอีกหน่อยนึงเท่าดวงตาทั้งหมดดวงเห็นอยู่ในกลางกาย ตกว่าดวงตาออกไปเรื่องเป็นดวงเห็นดวงเห็นนั่นแหละธาตุเห็นมันอยู่ตรงกลางดวงนั้นนั่นเราเรียกว่าเห็นเห็นมันอยู่ในธาตุเห็นนั่นดวงจําถตุจํามันอยู่ในตรงกลางดวงนั้นความจําอยู่ที่นั่นดวงคิดธาคิดมันอยู่ตรงกลางดวงนั้นดวงรู้ธาตุรู้อยู่ตรงกลางดวงนั้นเห็นจำคิดรู้สี่อย่างนี้แหละ เอาเข้ามารวมจุดเดียวกันเรียกว่าใจของยากอย่างนี้เห็นมไหมละ่ะคําที่เรียกว่าใจนั่นแหละเวลานี้เรานั่งอยู่นี่สอดไปถึงบ้านก็ได้สอดไปถึงนรกก็ได้สอดไปถึงสวรรค์ก็ได้สอดไปถึงนิพพานก็ได้สอดไ ป, <c oughs> ได ส, อดไปสอดใจไปได้มนุษย์ซึ่งอย่างนี้เห็นไหมละ่ะใจ แต่ว่ามันรูแ้แคบมันก็สอดไปได้แคบรู้กว้างสอดไปได้กว้างรูล้ละเอียดสอดไปได้ละเอียดรู้หยาบสอดไปได้ละเอียดสอดไปได้หยาบแล้วแต่ความรู้ของมันความเห็นของมันสําคัญมากคาที่เรียกว่าใจนี่แหละเราต้องมองคับไปอยู่เป็นจุดเดียวกันเห็นใจ ก, กิดรู้สี่อย่างต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์สะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกักข้างใน เราเดทะลุหลังเป็นเด็กกลุ่มไปเส้นตึงขวาทะลุซ้ายเป็นเด็กกลุ่มไปเส้นนตรงกันตึงตึงทั้งสองเส้นโกลางมาจดกันที่กลางจดกันนั่นแหละเรียกว่ากลางกักกลางกักนั่นแหละถูกลางดวงทำในํารเป็นกายมนุษย์ไรบริสุทธ์ต้องฟองไก่แดงของไก่ถูกกลางดวงพอดีที่ต่อแนบพระของขันไปจดในกลางดวงนั่นแหละกลางกักนั่นแหละ แล้วเอาใจของเราไปจดอยู่กลางกักนั่นแหละเห็นจำกิรูตีอย่างจดอยู่กลางกักนั้นกลางดวงรรทําทางในการมนุษย์นั้นมีที่ตั้งแห่งเดียวเท่านั้นใจเขาบอกว่าตั้งใจนะแล้วก็ต้องเอาใ จ, าใจไปจุดตรงนั้นทีเดียวเนี่ยถูกเป้าหมายใจดําเขาบอกว่าตั้งใจนะเวลานี้เองจะทําบุญทํากุศลเราก็ต้องตั้งใจตรงนั้นบัดนี้วเวลาจะรักษาศีลก็ต้องตั้งใจคนนั้น แบบนี้เราจะจ ะ, จะเรียนาวนาแ ล, วแล้วก็ต้องตั้งใจตรงนั้นเหมือนกันตั้งใจาไปหยุดตรงนั้นกลางบมื่อใาจาไปหยุดอยู่กลางนั้นแล้วแล้วก็ใช้สัญญาจําให้มันหยุดนิง่งบังข้าไปนิ่งเเจ้าทําให้นิ่งก็้องใช้บริกรรมมาภาวนามองขับไว้บังข้าไปใจหยุดบังค้าหน้าเขา้าน้าเขา้าน้าเขา้าพอทุกส่วนเขา้าใจหยุดนิง่งใจหยุดหยุด พอใจหยุดเท่านั้นแหะถูกตัวสมถะแล้วนั่นแหละตัวสมถะลาหยุดนั่นแหละหยุดนั่นเองเป็นตัวสําเร็จทั้งสาทั้งทั้งโลกและทั้งธรรมสาเร็จหมด โ, โลกที่จะได้รับความตกก็ใจต้องหยุดตามส่วนของโลกธรรมที่จะได้รับความตกก็ต้องหยุดตามส่วนของธรรมท่านได้แนะนําไปตามวาระพระบาลีว่านาทิสันติปรังสกหัง ตุกอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดอันนั่นเองเป็นตัวสำคัญถพาเหตุนั้นต้องทำใจให้หยุดเมื่อใจของเราหยุดแล้วเราก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดไม่มีถอยหลังกลับไม่มีถอยหลังหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนั่นเองได้หยุดต้องถูกกลางนะถ้าไม่ถูกกลางใช่ไม่ได้ ต้องหยุดเข้าสิบเขาูเข้าส่วนถูกสิบถูกศูนถูกส่วน ถ, ถ้าหยุดกลางกายเช่นนั้นถูกสิบเพราถูกสิบเท่านั้นไม่ชาจะเข้าถึงศูนย์พอถูกสิบแล้วก็ก็จะเข้าถึงศูนทีเดียวโบราณท่านนี้ในี้โกันว่าเห็นสิบแล้วเห็นศูนย์เป็นข้าวมูลเสิบกันมาเที่ยงแท้แน่นักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจินจุติแล้วปจิสนธิย่ยมเวรเวนอยู่ทั้งสิ้น สังขาราไม่ยืนยิ้นราคีสิ้นเป็นตัวมาติดสูญอย่างนี้เป็นตัวสำคัญ น, นักสัตว์โลกจะเกิดในในในโลกได้ต้องอาศัยเข้าสิทธิ์เขาต้องอาศัยเข้าสิทธิ์แล้วตกศูญจึงเกิดได้ถ้าเข้าสิทธิ์ไม่ตกศูนย์แล้วก็เกิดไม่ได้นี่โลกก็ทำต้องอาศัยกันอย่างนี้ <c oughs> ส่วนทางธรรมเล่าต้องเข้าสิทธิ์เข้าสิทธิ์แล้วก็ตกศูญตกสูญคือใจหยุดพอยจัยหยุดได้เรีว่าเข้าสิทธิ์แล้ว เห็นเป็นดวงใสแต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โผชันที่ใจหยุดนั่นแหละนั่นตกศูนย์แล้วเข้าสิศี์แล้วเห็นศูนย์แล้วนั่นแหละไดว่าเข้าศีลแล้เห็นศูนย์พอเห็นศูนย์ก็ใจหยุดอยู่กลางศูนย์นั่นเจ้ากลางดวงใสแต่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นดวงนั่นแหละเรียกว่าดวงธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเรื่องในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าปฐมอมกผลฑางเมืองตนมาผลนิพพาน จะไปสู่มรรคผลนิพพานเราเข้ากลางดวงนั้นดวงแห่งเดียวไปในทางเดียวทางอื่นไม่มีเมื่อเข้ากลางอ <c oughs> ดวงสูนนั้นได้แล้วเรียกว่าปฐมมรรคในหนึ่ง x ในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่า <c oughs> เอกายนามะแปลว่าขนทางเอกไม่มีโท สองไม่มีแปลว่าหนทางหนึ่งสองไม่มีหนึ่งที่เดียวดวงนั้นเระเรียกว่าธรรมานุปษษัฒนาจิตฐานแต่ทางไปของพุทธเจ้าพระพันธ์ทั้งหมดในสากลโลกในสก า, ากลธรรมพรุทธเจ้าพระพันธ์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวไม่มีทางแตกแยกจากกันไปแนวเดียวทางเดียวกันหมดแต่ว่าการไปนั้นบางท่านเร็วบางท่านช้า ไม่เหมือนกันคำที่ว่าไม่เหมือนกันนี่แหละถึงจัดได้เชื่อว่าไม่ซ้ํากันคาว่าไม่ซ้ํากันนะ่ะเร็วกับกันช้ากับกันแล้วแต่นิสัยวาสนาของตัวที่สังสมอบรมไว้แต่ว่าทางไปนะั้นเป็นทางเดียวกันหมดเป็นเอกายนามมักหนทางเส้นเดียวมันจะไปต้องหยุดนี่กับแหลก ทางโลกเข้าไปแล้วก็ต้องเร็วเขาเรือบินรถยนต์ไปทีเดียวมันถึงจะเร็วถึงจะถึงทางธรรมไม่ใช่เช่นนั้นถ้าว่ามันจะไปแล้วต้องหยุดพอหยุดแล้วจึงจะเร็วจึงจะถึงนัน่นแปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะต้องเอาใจหยุดนั่นเองจึงจะเร็วจึงจะถึงเราเอาใจหยุดหยุดห ย, ยุดกลางดวงธรรมในทรรมเป็นกายมนุษย์หยุดทีเดียวพอหยุดถูกส่วนเห็นดวงใสดวงใสนั่นแหละเรียกว่าเอกายนามะเรียกว่า ปฐมมรรคหรือเรียกว่าธรรมานุปัฏนานตาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใจก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้นพอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเท่านั้นหยุดลนหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดเร่เข้าไปกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางที่หยุดนั้นพอถูกส่วนเข้า เห็นดวงอีกดวงหนึ่งเท่าเๆกันอยู่กลางดวงธรรมามนุวัฒนาเดีฐานนั้นเรียกว่าดวงศีลหยุดหยุดกลางดวงศีลนั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเทา่ทาเๆกันเรียกว่าดวงสมาธิหยุดหยุดกลางดวง ส, ม า, สมาธินั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเรียกว่าดวงปัญญาดวงเท่าเๆกันหยุดอยู่กลางดวงปัญญ า, านั้นเขถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงเรียกว่าดวงไอมุดใสละเอียดหนักตงไป ยุกหยุดรางดวงวิมุต่นั้นเพราถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุติยานัฏฐนะยุดยุกลางดวงวิมุติยานัฏฐนะนั้นอยู่ที่เดียวกันถูกส่วนเข้าเห็นตัวกายมนุษย์ของเราที่ไปกที่นอนฝันออกไปที่ไปเกิดมาเกิดเขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดพอเราไปเห็นเข้าเท่านั้นก็กายนี้เวลาฝันเราเคยเห็นเคยไปกับมันมันไปทำํำกิจหน้าที่ฝัน เวลาตื่นแล้วไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนบัดนี้เรามาเห็นแล้วมาอยู่กลางดวงมุติยานสัสนะนั่นเองมาเห็นแล้วก็ให้กายมนุษย์ละเอียดนั่นบัางเขาเหมือนกายมนุษย์หยาบของน้อกนี่เมื่อก็นั่งเมื่อนั่งสงส่วนกัแล้วใจมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่อยู่กลางดวงธรรมนทางกายมนุษย์ละเอียดพอถูกส่วนเข้าหยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละเห็นดวงธรร ม, มานุบัตนาธิตฐานหยุดอยู่กลางดวงธรร ม, มานุบัตนาธิตฐาน พอถูกส <use> <uan> ่วนเข้าเห็นดวงศีลยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิยุดอยู่กลางดวงสมาธิพอถูกส่วนก็เห็นดวงปัญญายุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าเห็นดวงอิมุูตโตตะเท่ากันยุดอยู่ถึงกลางดวงอิมุูตถูกส่วนเห็นดวงมุูติญาณศาสนะยุดอยู่ถึงกลางดวงอิมุูติญาณศาสนาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายทิพย์ให้กายทิพย์นั่งแบบเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดนั่นใจของกายทิพย์หยุดนิ่งอยู่ถึงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์พอถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาโดสฐาน หยุดอยู่ตรงกลางดวงธรรมานุปัฏนานิทิฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่ตรงกลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเข้าเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทศนะหยุดอยู่กลางดวงทศนาถูกส่วนเข้าเห็นกายทิพย์ละเอียดใจกายทิพย์ละเอียดก็นิ่งอยู่ตรงกลางดวงธรรมจิตกายทิพย์ละเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัฏนานิทธิฐานหยุดอยู่การหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัฏนานสิทิฐานถูกส่วนเข้า เห็นดวงยึดยลางดวงสิญถูกส่วนเห็นดวงสมาธิยึดยุกลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญายึดยุกลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงิมุตยึอยุกลางดวงอิมุตถูกส่วนเห็นดวงอิมุติญาณอัตนายึอย่กลางดวงอิมุติญาณอัตตุนัตนาถูกส่วนเข้าเห็นกายรูปผสมใจกายรูปรงก็นิ่งอยู่ถึงกลางดวงธรรมนิธรรมหยุดนิ่งอยู่งกลางดวงธรรมนิกายรูปผสมก็หยุดย่กลางดวงธรรมนกายรูปรมเพราะถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมมาในปัตนาเดฐานใจกายรูปผม ยุดอยู่ตรงกลางดวงธรรมานุปัสนาฐานแนถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญายุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงอิมุตหยุดยุดถึงกลางดวงิมุตถูกส่วนเห็นดวงิมุติญาณศัสนายุดอยู่กลางดวงิมุติญาณนัสนะถูกส่วนเข้าเห็นกายรูปผสมละเอียดใจกายรูปมละเอียดยดยถึงกลางดวงธาุนกายรูปละเอียดถูกส่วนก็เห็นดวง ธรรมานุปัฐานหยุดหยุดกลางดวงธรรมานุปัฏฐานถูกส่วนแกเห็นดวงสินยุดหยุดกลางดวงสินถูกส่วนเห็นดวงสมาธิยุดหยุดกลางดวสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญายุดหยุดกลางดปัญญาถูกส่วนเห็นดวงิมุติยุดหยกลางดวงิมุติถูกส่วนเห็นดวงมุติญาณนัสสนะยุดหยุดกลางดวงิมุติญาณนัสสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายอารมณมใจกายอารมณ์มก็ยุดหยุดกลางดวงรรใจกายรรม พถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาเจตฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาเจตฐานถูกวเห็นดวงศีลหยุดอยุ่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกวเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกวเห็นดวงิมหยุดหยู่กลางดวงิมมุดถูกวเห็นดวงิมุดติยานัตนะหยุดยู่กลางดวงิมุดติยานัตนะถกส่วนเข้าก็เห็นตายทำรูปมัรปฏิมากรเตศดอกบัวตมไซสเป็นกระจกต่งเรานะาเราตักตัวเล็ทตามส่วน ตาตัดเท่าไหนดวงธรรมที่ทำมันเป็นธรรมกายโตเท่านั้นกลมรอบตัวอยู่กลางกายธรรมกายนั่นธรรมกายนั่นเป็นตัวพุทธรัตนะดวงธรรมที่ทํำมันเป็นธรรมกายนั่นเป็นธรรมรัตนะใจพุทธรัตนะเราก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมนี่ทํามันเป็นกาธรรมกายพอหยุดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานวัตนาจิตฐานเท่ากับดวงธรรมอยู่กลางดวงธรรมานุวัตนาจิตฐานถูก่วนเข้า เห็นดวงศีลอยู่กลางดวงศีนถูกส่วนก็เห็นดวงสมาธิอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู Arizona, ่กลางดวงวิมุตตถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณสัตตนาหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณสนถูกส่วนเพ็เห็นกายธรรมละเอียดตักว่าธรรมกายที่เห็นแล้วนั้นห้าเท่าตัวกว่าห้าเท่าใจกายธรรมละเอียดก็หยุดนี่งึงกลางดวงธรรมนิธาธรรมละเอียด ถูกตัวน่เข้าเห็นดวงธรรมานุัฒนาดสฐานขยายวนตัหักขึ对对 <pper> ้นไปใจก็หยุดนิ่งอยูกลางดวงธรรมานวัฒนาริสถานถูกตัวเห็นดวงสิน์หยุดนิ่งอยู่กลางดวงสินถูกตัวเห็นดวงสมาธิหยุดยกลางดวงสมาธิถูกตัวเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกตวเห็นดวงมุหยุดอยกลางดวงมุถูกตวเห็นดวงมุติญาณทัศนาหยุดยกลางดวงมุติญาณนาถูกตัวนเข้าก็เห็นกายธรรมโสดานาปักคาวาตัวห้วาเกตดอกโมตุลไนักขึ้น ใจกายโสดาก็หยุดนิ่งอยงกลางดวงธรรมที่ทาให้เป็นการโสดาถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัตตนาจิปัฏฐานจยุดนี่งอยู่กลางดวงธรรมานุปัตตนาจิปัฏฐานถูกส่วนเห็นดวงิหยุดอยู่กลางดวงสินถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงมุตยหยุดอยู่กลางดวงมุตย์ถูกส่วนเห็นดวงมุตติญาณศาสนาหยุดอยู่กลางดวงมุตติญาณาสนาถูกส่วนเข้าก็เห็นกายทำละเอียดในกลางดวงธรรมานุปัตตนาจิปัฏฐานของโสดานั้น หนาตักปิว่าใจใจของกายเป็นสุดรายละเอียดจุดนี้ทุกฝูงกลางดวงธรรมนกเป็นสดรายละเอียดถกวงเข้าเห็นดวงธรรมาในปัชนาจิตฐานจุดนี้อยู่กลางดรรมดวงธมนัชนาจิตฐานถูกตวนเห็นดวงศีลจุดกลางดวงศีลถูกต่วนเห็นดวงสมาธิยุดกลางดวงสมาธิถูก่วนเห็นดวงปัญญายุดกลางดวงปัญญาถูก่วนเห็นดวงมุตุดกลางดวงมุตถูก่วนเห็นดวงมุตติญาณศาสนายุดกลางดวงมุตติญาณศาสนาถูกวนเข้า ก็เห็นกายพระสกิทาคาแนาตักสิดว่าโ้องติดว่าเกตดอกบ่อตนใสนักขึ้นใจพระสกิทาคาก็หยุดอยู่ตรงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระสกิทาคาถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุวัฒนาทิฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัฒนาทิฏฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถกต่งนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกต่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถกต่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติูกต่วนเห็นดวงวิมุตติญาณถัดสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณถัดสนะถูก่วนเข้า ก็เห็นกายพระสกิทาละเอียดนตักสิาวาสูงสิบวาเกตดอกโบตมไหลหนักขึ้นใจของพระกิาละเอียดหยุดอยู่กลางดวงานพระกิาละเอียดถูกส่วนกะเห็นดวงธรรมานุัสนาเดชฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุวัสนาเดชฐานถกส่วนก็เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงสีนถูส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูส่วนเหดวงปัญญาหยุดอยูกลางดวงปัญญาถส่วนเห็นวงม หยางดวงมถูกนนงมืมุติยาในศาสนายุดจุดรางดวง ม, มุติยาศาสนาถกส่วนเข้าก็เห็นกายพระอนาคาและตัดปิดห้าวะสูงสิบาเกตดอกบัวมไซนอขึ้นใจพระอนาคาก็หยุดนิ่งซื้อรางดวงธรรมในฐานพระอนาคาถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัตนาติทธฐาน หยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัตาติปานถูกเห็นดวงสินหยุดอยู่กลางดวงินถูกเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกสวนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูก่เห็นดวงมุติยอยู่กลางดวงมุติถูกส่เห็นดวงมุติญาณตตนายอยู่ยอยู่กลางดวงมุติญาณัตตนาถูกส่วนเก้าก็เห็นกายรักอนาคาละเอียดละตัดยี่สิบวาส์ลงยี่สิบวาเก็ดอกบวตมมส้นักขึ้น ใจของพระอนาคาระเอียกกยุดหยกลางดวงธรรมานพระอนาคาระเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมมาโนัสสนาริฐานยุดหยุดกลางดวงธรรมมาโนปสสนาริตฐานถูกดวงเห็นดวงสยุดยุกลางดวงสิญถูกงเห็นดวงสมาธิยุดยุกลางดวงสมาธิถูกงเห็นดวงปัญญายุยุกลางดวงปัญญาถูกงเห็นดวงมุตย์ุดยุดกลางดวงมุตถูกงเห็นดวงมุติญาณศาสนาหยุกลางดวงมุติญาณศสนาถูกส่วนเข้าเห็นกายพระอรหันต์หน้าตากี่สิวาตูงยิสวาเกตดอกบาตุ ดวงธรรมในธรรมเป็นพระนายกยี่สิบากลมรอบตัวยุดเยือกระจายระยุดอยงกลางดวงธรรมนธกาสะเถูกตัวเข้าเห็นดวงธรรมานุปัตนาเจฐานวัดาเส้นถึงกลางยี่สิบากลมรอบตัวเหมือนกันยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัตนาเจฐานถูกส่วเห็นดวงศีลวัดาเส้นถึงกลางยี่สบากลมรอบตัวเหมือนกันยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วเห็นดวงสมาธิวัดาเส้นถึงกลางยบากลมรอบตัวเหมือนกันยุดอยูกลางดวงสมาธิตัวเห็นดวงปัญญา วาตาพาเห็นดวงปัญญาว่าตาเส้นสกลางยี่สิบากลมละสมเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถกส่วนเห็นดวงวิมุตต์ว่าตาเส้นเสกางยี่สบากลมละสมเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติยะในศาสนาว่าตาเส้นเส้นาย่ิบากมละสวเหมือนกันหยุดกลางดวงวมุตติยะใัศสนาถูกส่วนเท่าเห็นกายพระอรหันต์ละเอียดสวยงามมากมีเป็นกายที่แปดมถึงพระอรหันต์นีแล้วหลุดกิเลสหมดไม่มีกิเลสเลยเสร็จกิจในพุทธศาสนา ทางสมถะมิปรัชนาตลอดตั้งแต่กายมนุษย์ถึงกายรูปประทมละเอียดแค่นั้นเรียกว่าขันสมถะตั้งแต่กายทำโคกรสัพูต้องหยาบละเอียดจังกระทั่งถึงกายพระอรหันต์ทั้งหยากทั้งละเอียดนี่ขันมีปรัชนาทั้งนั้นนี่ที่เรามาเรียนสมถะมีปรัสนาวันนี้ต้องเดินแนวนี้ผิดแนวนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ผิดอย่างนี้ไปไม่ได้ พิษอย่างนี้เพราะกัเละเหลวต้องทุกเรวนี้เราจะต้องยึดกายมนุษย์นี่เป็นแบบเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดยึดกายมนุษย์ละเอียดน่นเป็นแบบเข้าไปถึงกายทิษ ย, ยึดต้องยึดกายพิษน่นเป็นแบบเข้าถึงกายพิษละเอียดต้องยึดกายพิษละเอียดเป็นแบบอย่าโยกโย่ไปไม่ได้เข้าไปถึงกายรรครมต้องยึดกายโรคลมเป็นแบบ เขาถึงกายรูปรสมละเอียดตรงยึดกายรูปผสมเป็นรายละเอียดเป็นแบบไปเขาถึงกายหารูปผสมยึดกายอารูปผสมเป็นแบบเขาถึงกายอารูปรสมละเอียดยึดกายอารูปรสมละเอียดเป็นแบบเขาถึงกายทำยึดกายทำเป็นแบบนี่ที่ที่ที่ปั้นไว้เป็นรูปพระปริมากรในบทนาบีหายการเรียนนี่เขาทําแบบไว้นี่เขาถึงกายทำละเอียดยึดกายทำละเอียดเป็นแบบ ข่าวถึงกายธรรมแบบโสดายึดกายธรรมแบบโซดาเป็นแบบเข่าถึงกายธรรมพระสกิทาคายึดกายพระสกิทาคาเป็นแบบเข่าถึงกายธรรมพระสกิทาคาละเอียดยึดกายธรรมพระสกิทาคาละเอียดเป็นแบบเข่าถึงกายธรรมพระอนาคายึดกายพระอนาคายึดกายธรรมพระอนาคาเป็นแบบเข่าถึงกายพระอนาาคาละเอียดยึด ธรรมกายละเอียดของพระอนาคาเป็นแบบข่าถึงกายพระอนาคัดยึดธรรมกายของพระอนาคัดเป็นแบบข่าถึงกายพระอนาคาละเอียดยึดธรรมกายพระอนาคาละเอียดเป็นแบบนี่เป็นหลักฐานในพุทธศาสนาในสมุดที่ได้แจกกันทั่วทั่วนานั้นสิบแปดรคหน้าปึงที่ที่อธิบายมานี่สิบแปดรคหน้าปึงนับดูได้ตั้งแต่กายมนุษย์มันหนึ่งสองกายมนันละเอียด สามกายทิพย์สี่กายทิพย์ละเอียดห้ากายรูปรมหกกายรูปรมละเอียดเจ็ดกายรูปรมแปดกายรูปรมละเอียดเก้ากายธรรมสิบกายธรรมละเอียดสิบแปดกายพระโสดาสิบสองกายพระโสดาละเอียดสิบสามกายพระสกีทาคาสิบสี่กายพระสกิทาคาละเอียดสิบห้ากายพระอนาคาสิบหกกายพระอนาคาละเอียดสิบเจ็ด กายธาตุหัตติไปการยธาตุละเอียดที่อธิบายมาแล้วนี่หน้าปึ้งที่แจกไว้แล้วทุกคนนั้นนี่แหละหลักปฏิบัติคุตตสัสนาต้องแน่นอนจับตัววางตายอย่างนี้ไม่เลือเล้อนเลี้ยวไหลแต่ว่าจะไปทางนี้ต้องหยุดทางธรรมเริ่มต้นต้องหยุดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งพระอรันตถ้าไม่หยุดแล้วก็ไปไม่ได้ชัดทีเดียวแปลกไม่ล่ะไปทางโลกเขาต้องไปกันตัดเตียวว่องไวกล้องแกล้ว ของเราเรียนกันมากมายจงกระทั่งรู้เท่ า, าทันเหลี่ยมกูผูกคนตลอดสายจึงจะปกครองโลกให้รุ่งเรืองเจริญได้แต่ว่าปลายทางทำนี่แปลกหยุดเท่านั้นแหละไปได้หยุดอันเดียวเท่านั้นคำว่าหยุดยังนี้คำเดียวตอนนี้อยุดถูกทางธรรมะตั้งแต่อต้นจนพระอรหันต์เพราะฉะนั้นตัวศาสนาแท้ๆให้คำว่าหยุดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องอใจหยุดถึงกลางดวงธรรม า, น, า, น, า น, นการมนุษย์หยุดทีเดียว นันลยหยุดนั่นแหละถูกตองหมายใจดําถูกโอไวของพระบรมศาสดาเขาไม่หยุดแล้วก็จะปฏิบัติศาสนาไปะสะปปี่สิบห้าสิบปีต่างที่สุดจะมีะอายุสักร้อยกว่าร้อยยี่สิตรยสมสิบปฏิบะะัติไปสักร้อยปีถ้าใจหยุดไม่ได้ไดของสงฆ์หยุเขอสพขอสงฆ์กลางดวงทำทุกทางก็ไม่ได้ไม่ถูกศาสนาสักทีหนึ่งสองว่าไดหยุดได้แล้วก็ถูกศาสนาทีเดียว โขกระอดของศ า, าสนาทีเดียวให้จ้ำให้เม็นนะัะแง่นี่นะเราที่ปฏิบัติมาแล้วนี่มันยังไม่โกเลยเข้ารอง้อยศาสนามันยังไม่โกวันนี้เราจะเข้าร่องลอยศาสนาจะเรียนธมรมะจะทําใจให้หยุดละจะเข้าช่องนั้นพิธีทําใจหยุดดิจังแสดงแล้วนั้นนะพอหยุดแ ล, แล้วก็ถึงพระอันตั้งแต่ต้นจะมาทั้งพระอรหันต์ทีเดียวจําให้เม็นนะเอาต่อแี่นี่ก็อตรงเครื่องบูชาให้เขานําไปจุดเออ จบแล้วจะได้บูชากันต่อไปฉันจะสอนให้บูชาต่อไปนะเยะยมาหังสัมมาสัมพุทธังภควัณตังเปรนังะโตูิณีนาตการนะตางภควัณตังอภิปูชียมิพาะเจ้าบูชาบัรนี้ เสื่องพระภูมิพระภาคผู้จะสรูแล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยส ก, การะนี้ยะมหังตวาขาตัณฑ์กวาตาธรรมังกรันังขตุปิณิาจาระการเรนะ ทา้งทรมังลาพิปูชยามิพระเจ้าบูชาบันนีซึ่งพระทรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้ากรัดดีแล้วซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จิงเกิดสการะนี้ อยามาหังตุปฏิปันนังสังขังเทเนังขัตโตที่นีนาจักกาเรนะตั้งสังขั ง, งระเิดปุจยามิพาพเจ้าบูชาบัดีหนึ่งส่วสงผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพระเจ้าถึงตว่าเป็นที่ดึง กัมจันโรคในจริงด้วยสการะนี้อรหังสัมมาสัมพุทธโธธรรมะพุทธังภรรมวันตามลิบาเีลิสวาคาโตภะคุตาธรรมโมธัมมังนะมจามิ ตกปฏิปันโนพระโตจ้ า, ากระตั้งโครังคังนมามิบูชาพระพุทธรธรรมประสงค์ไหวพระพุทธรธรรมประสงค์เสร็จแล้วต่อนนี้ไปตั้งใจแน่แนววขอมาต้องคโทษตอบพระพุทธรธรรมประสงค์จิตก็ะเด็ดลาดล่างลงไปแล้วเด็กตายว่าใจตั้งแต่เด็กเ็มไปด้วยจักเียงกามาจนถึงศุภะนี้ขอมาต้องคต้นแล้วกายประจ่าใจพวกเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นพระชนะรับรองพระธรรมประสงค์ ในอดิตปัจจุบันอนาคตตื่ต่อไปตอนจะขอมาพระโกทศสระนรตะไกรนำรอบน้มพระนรตะไกรด้วยปันามาคาถาคือณโมสามผลผลที่หนึ่งนอบนอมรู้อประสงค์ในอดีตณโมผลที่สองนอบน้อมรู้เพือทำประสงค์ในปัจจุบันณโมผลที่สามนอบน้อมรู้เพืทำประสงค์ในอนาคตทั้งหมดในการต่างคนต่างว่านโมดังๆร้องก็สามผลนะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ละโมต้าพระพุทธเะโมทาสพุทธเจสานะโมตาพะพุทธเจาะโมาพพุทธเจภกาสะอาเโยโลภันเตอาจักขมาเยธาพาเลเยธามุลเล ยาธาอากุเตเลเยมยังตะลำมาเอวังพันเตมยังอัจเจโยโนปฏิคันหาธาอายาติมังวะไรายามิข้ไปเจ้าขอวะโนกาตเศรษรังพลาดด้วยกายวาจาใจ ในพระพุทธะ ร, รําประสงเพียงรายแต่ขำใบเจ้าเป็นคนผานคนหลงอาคุณชนเข้าสิงจิตใจกระทาความผิดขอพระพุทธะ ร, รําประสงขอพระพุทธะ ร, รําประสงจงวัดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น แต่พระเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าจะขอต่านรวมระวังตึงกายว่ า, จาใจตืบต่อไปนะเบิร์กนากายว่ า, าใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ต่อจากนี้เั็นี้อาร์ตนาพระพุทธระสนา ในอดีต ป, ปัจจุบันอนาคตสิ้นสถิตในกายวิาจาจิตสืบต่อไปนะอุกาลาพระพุทธเจ้าของอาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้กระตุ้นรวมไปแลว้วมาความเล่นายในท้องสมาธิหมดทั้งปีและสมเด็จพระพุทธเจ้า อันจากเด็กาเตโร <c oughs> แลหลนาคตะการภายภาคเบืองหน้าแหลสมเด็จพระพุทธเจ้าเด็กาตโรในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักุทวารโตตะทวารขานะทวารจิวหาทวารกายทวารมโนทวาน แทนข้าพระพุทธเจ้าในการบาเดเจยวนีเ้เถิดโอกาสะค่าพระพุทธเจ้าข อ, อาอาราธนาพระพลพบุธรธรรมเจ้าเก่าประาการในอิีตาหลงรับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้ แลพระนพโลกุตระธรรมเจา้าเต่าประการในนาคตการไยภาคบางนาแลพระนพโลกุตระธรรมเจา้าเต่าประการในปัจจุบันนี้ขอจงมาบับางเกิดแนเจ้ากทธวานโตตตะทวาน พระนัตาาวานจิวหาถวานทายาถวารมโนถวารแทนข่าพระพุทธเจ้าในการบันเดียวในเถิดโอกาสพราพระพุทธเจ้าของอาษณาจนะัรญาติโยงกับสมุติสรงรายดีตะการห่วงรับไปแล้ว แต่รับรมานไม่ได้แม่พระดิสงเกสมมรีสองแน่นาคตการถ่ายภาควังนาแมพระดิษฐสงกับสมมติสองในปัจจุบันนี้เขาจมาบังเกิดแต่จา้าวาลโตศตววานปาลศัวาวานจิวหาศตวานใต้ัตาวามลมโนศวาล แทนข้าบระพุทธเจ้าในการตัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดทคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์พระเจ้าท่านผู้หญิงมากครูบาอาจารย์นะคุณครูอุปชาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณพานบรมเมละบรมมี เนคมบรมีปัญญาบรมีวิญยะบรมีขันติบรมีสัจจะบรมีอติฐานบรมีเมตตาบรมีเมตฐานบรมีที่ขบเจ้าได้บ่มเพงมาแต่ร้อยชาติพันชาติมูนชาติแปนชาติคนดีที่ขบเจ้าได้บ่มเพงมา ตแต่เล็แต่น้อยระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีขอบารมีทางร้ายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเด็ดสําเร็จมากและผลในการมาเดี๋ยวนี้เถิดติพานปฏิโยตุต่อแต่นี้ไป อคอยตั้งใจฟังบอกโดยตรงคอยจำแล้วนะทาวัันนาเสร็จแล้วก็จะบอกวิธีกระทำต่อไปวิธีทาสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรรมอภวรนากับปริกรรมมนิมิตเป็นคู่กันวิธีทำสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรรมอภวรนากับปริกรรมมณิมิตเป็นคู่กันปริกรรมมนิมิต ให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสเมือนอย่า ก, กระเพ็ดลูกติดจระไนแล้วมันมีขนแมวโตตะแกวตาปฏิกรรมยานิมิม็ดให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสมันอย่า ก, กระเพ็ดลูกติดจระไนแล้วไม่มีข น, นแมวโตตะแกวตาผู้ยืิงกำหนดเข้าปากช่องจ ม, มูกซ้ายผู้ชายกำหนดปากช่องจมูกขวาให้่แล้วไม่เรียมผู้หญิงกำหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดปากช่องจมูกขวาให้่แล้วไมเลียม ใเของเราจะหยุดไปหยุดมาแวบไปแวบมาให้เขาไปอยู่ท่านในปริกรร ม, มนอนิมิตตา ช, ชา่งจมูกนี้ใต้ใจฝาข้างนอกโตเขาจะดวงโตทกแกต า, าข้างในดวงโตทมเม็ดพุทธรักษาข้างนอกโตดวงทกแกต า, าข้างในดวงโตวาางดวงโตทมเม็ดพุทธรักษ า, าแล้วว่าใสขาวเหมือนกระจกตองเราหน้าแบบเดียวกัน เสก็มาปาช่องจมูกซ้ายชายกมาปา้จมุกขวาแล่พฤิกรรมมนะสะครองปฤิกรรมอนันน้ันไว้ว่าสัมมาอรหังก็ถึงดวงทิศสใจอ ย, ยู่กลางดวงทิศสสัมมาอรหังก็ถึงดวงทิใสาใจอ ย, ยู่กลางดวงทิสนั่นสัมมาอรหังก็ถึงดวงท่ใสใจอยู่กลางดวงทิศสนิ่งนั้นในฐานที่หนึ่งที่สองเรื่องก็เป็นแค่ตาตายิงยูดที่ข้างซ้ายชายยืดที่ข้างขวากลองหัวตาถ่มุนตาออกตามตองเราไม่ใจ่ก็ออกข้างไหน และบริกรรมประกอบเครื out, ่องหมายที่ตาตาเนียว <f beat iful music> <f precisa songs> ่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอะระหังสัมมาอระหังสามครั้งแบบเดียวกันแล้วเลื่อยเครื่องหมายตรงลำดับตาตาเข้าไปกลางกัสสิกะข้างในในก่อนใจฝันอันหลังหน้ามองกลางกับก็ดีและบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางกัสสิกะข้างในว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสามครั้งตรงนี้มีลัทธิวิธี ต้องปลับตาไปข้างหลังให้ตาคลางเหมือนคนจักจะตายแล้วหลับตาอยู่ตาช้อนขึ้นบนเลือยขึ้นบนเลือกไปเลื้ไปจะต้องค้างแน่นให้ความเห็นกลับไปข้างหลังพอกลับไปข้างหลังแล้วค่อยๆให้เห็นกลับเข้าข้างในพอตาเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่4ี่ไปช่องไปดานทีรับประธานานสำลักใช้เหลี่ยมให้ล้ำพอดีแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมาย ในฐานที่สี่ป่าช่องเผดานที่ได้พัฒนาอาหารําลักว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะหังสัมมาอะหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายไปถึงป่าช่องคอเหนือโลกก็เดือกมุกลางกลาป่าต้นไทแก้วตางไว้ป่าช่องคอบริกรรมประกองเครื่องหมายที่ป่าช่องคอว่าสัมมาอะหังสัมมาอะหังสัมมาอะหังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวตุดลมและใจก็ใจ้าออก จะดูทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กข้างในองกลางดวงทํามนิชย์ในการมรดิใจหยุดกันเจ้าตั้งองนั้นกระจายตัวปฏิดวงใสเนสัมมาระหังสัมมาระหังส็มาระังสามข้างถอยหลังเหนือกลางตัวสงนิ้วองนั่นนีสุน้าสูนกลางหน้าขวาหลังซ้ายกลางอากาศธาตหน้าถัหน้าขวาดินหลังถัดขวาซ้ายลงตรงไม้ทัสอแล้ากากลางนั่นองนั้นเรียกว่าสูนทไมึงเรีกนงนั่น เวลาสัตว์ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มาม า, มาอยู่ในที่ศิอยู่ในกลางดวงนั้นกายละเอียดอยู่ในกลางดวงนั้นพองแหวนประกอบธาตุทำทรงตัวก็าจะตกศูนดเดียวเขาตกศูนก็ลอยขึ้นมาเหนือกลางตัวตอกเรีบเท่าฟองไข่แดงพังไก่ไซส์เป็นจะจบตรงโลน่านี่มันจะเกิดหลั่อยู่ศูนย์ของนั่นหละโสนศูนนั่นเป็นสําคัญ น, นักต่เกิดมาในสเละมันในมนุษย์สรลาะก็ต้องต้องไฟ ต, ต้องเกิดในโสนนั่น จะเกิดจะไปนิพพานก็ต้องเข่าสูนนั้นไปเหมือนกันจะไปศูนย์มผลนิพพานต้องเข่าสูนนั้นไปเหมือนกันแบบเดียวกันตายเกิดเดินกรงกันข้ามถ้าว่าจะเกิดก็เดินลอกออกไปถ้าว่าจะไม่เกิดก็เดินไหนเข้าไปกลางเข้าไว้หยุดเข้าไว้ไม่กลายเคลื่อนนี่ตายเกิดอย่างนี้มาดูจักหลักอย่างนี้มารู้จากหลักดังนี่แล้วก็ เราก็รู้ทีเดียวรู้ว่าช้านี่เราที่เร า, ท, เราที่เราใจเราถ้าวุ่นวายอย่างนี้มันทําอะไรมันจะเวียนว่ายใจเกิดพอใจเราหนงอยู่ในกลางนั้นมันจะเลเบียนว่าใจเกิดแล้วก็รู้ตัวของเราอยู่เราไม่ต้องรอใครเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องทําใจของเราหนึ่งหยุดทําใจให้หยุดทําใจใหยุดอยู่ตรงกลางนั้นทําใจใหยุดเฉพาะหยุดหยุดนิ่ง หยุดเชียวหยุดก็เข้ากลางหยุดชนะกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางไฟกวานั้นหลังละมดออกไหนไม่ไฟกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางกลางงกลางกลางของกลางนิ่งพอโทกส่วนเข้าตอนนั้นแหละเห็นดวงใสแจ่มมันเกิดขึ้นแถลงจันทวีป